อย่าเสีเรียกเรื่องอะไรอะไรมันก็มไม่แน่อย่าดีใจอย่าเสียใจ <S <S มีนิทานของชาวจีนเรื่องหนึ่งเล่าว่าสามีพัญญาคู่หนึ่ง อาศัยอยู่ในชนบทกับท่านผู้เฒ่าท่านหนึ่งและมีม้าฉลาดแสนรู้อีกตัวหนึ่งทั้งสองสามีพัญญารักม้าตัวนี้มากวันหนึ่งมา้าหนีไปทั้งสามีพัญญาเสียใจมากท่านผู้เฒ่าก็ได้ปลอบใจว่าอย่าเสียใจเลยเพราะชีวิตนี้ไม่แน่เวลาผ่านไปหลายวัน ม้าตัวนั้นก็กลับมาที่บ้านแต่คราวนี้ได้พาแฟนมาด้วยเป็นม้าป่าอีกตัวหนึ่งสามีพัญญาต่างก็ดีใจมากแต่ท่านผู้เฒ่าก็บอกว่าอย่าเพิ่งดีใจเพราะชีวิตนี้มันไม่แน่ต่อมาวันหนึ่งสามีพาม้าตัวใหม่หัดขี่เล่นไปรอบๆ บ, บ้านม้ายังไม่เชื่องดี จึงยังไม่สามารถบังคับได้ดังใจมาพาวิ่งลอดเข้าไปใต้ถุนบ้านตัวเขาชนกระแทกเข้ากับตัวบ้านอย่างแรงตกลงมาพิการแขนขาหักทั้งสามีพัญยาต่างก็เสียใจกับเหตุการณ์นี้มากท่านผู้เฒ่าก็ปลอบว่าอย่าเสียใจเพราะชีวิตนี้มันไม่แน่ต่อมาเกิดสงครามขึ้น ชายจักรการในหมู่บ้านถูกั้งราชการเกณฑ์ไปเป็นทหารทุกคนสามีได้รับยกเว้นเนื่องจากเป็นคนพิการการสู้รบเป็นไปอย่างรุนแรงทำให้ทหารตายเกือบหมดสามีพัญญาก็ดีใจที่ตัวเองไม่ต้องไปเสียชีวิตในการสงครามครั้งนี้นิทานเรื่องนี้สอนเราว่าบางครั้ง เราอาจเกิดความรู้สึกว่าเราได้สูญเสียมากมายเราเสียเปรียบน่าเสียใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปแล้วเราอาจจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าเสียใจอะไรมากอาจจะกลับกลายเป็นสิ่งที่ดีก็ได้บางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าดีแต่เมื่อเวลาผ่านไปแล้วสิ่งเหล่านี้ ก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีก็ได้มันก็กลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นเป็นอนิจจังไม่แน่นอนจริงๆเราจึงควรทำความเข้าใจกับเรื่องของความไม่แน่นอนและรู้จักปล่อยวาง